บทที่สาชาวโลกทิพย์อำนาจของความคิดเมื่อข้าพเจ้าบรรยายว่าโลกทิพย์เป็นโลกแห่งความคิดเป็นโลกที่ความคิดมีพลังสร้างสารรค์อันมหาศาลและว่าความคิดเป็นของมีตัวตนและมองเห็นได้เช่นนี้เป็นตน้นก็มักจะมีผู้เข้าใจผิดอยู่ บ, บ่อยว่าโลกทิพย์คงจะเป็นโลกที่ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนอย่างโลกมนุษย์ แล้วก็เลยคิดโมเมกันต่อไปอีกว่าชาวโลกทิพนั้นก็คงจะมีรูปร่างเป็นเงาเงาเคลื่อนไหววูบวาบไปมาและในที่สุดก็สรุปเอาเลยทีเดียวว่าพวกชาวโลกทิพทั้งหลายนั้นก็คือผีปีศาจนั่นเองตามในยะเห็นความเข้าใจของมนุษย์ดังกล่าวมาแล้วนั้นก็แปลว่าโลกทิพก็มีสภาพเป็นเสมือนโลกแห่งความฝันและเป็นโลกมายาชนิดหนึ่งโดยแท้ ชาวโลกมนุษย์คิดสรุปเอาง่ายๆและดือด้อๆเช่นนี้ก็เพราะเคยชินต่อสภาพของโลกมนุษย์เสียแล้วว่าความคิดของตนของตนนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ปังไม่ได้ยินดังนั้นความคิดจึงเป็นความลับสุดยอดของโลกมนุษย์เพราะถ้าเขาเพียงแต่คิดอย่างเดียวแล้วแม้จะคิดในทางร้ายแรงเลวทรามหรือคิดดีวิเศษอย่างไรก็เป็นเรื่องเฉพาะตน ไม่มีใครล่วงรู้ได้หากเขายังไม่ถ่ายความคิดของเขาออกมาเป็นคำพูดให้ผู้อื่นได้ยินและความคิดของเขาแต่ละคนก็ไม่สามารถจะทำอันตรายใครๆได้ดังนั้นพอได้ยินคำว่าโลกที่เป็นโลกของความคิดจิตของเขาก็หวนระลึกไปถึงความเข้าใจดังกล่าวมาและก็เลยเอาไปสรุปลงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง เป็นความจริงที่ว่าในโลกมนุษย์ความคิดต้องอาศัยการแสดงออกมาทางใดทางหนึ่งเสียก่อนจึงจะเกิดผลได้เช่นนายช่างสถาปนิกอาจจะคิดแบบแปลนการสร้างบทไว้ในใจต่อจากนั้นก็จะต้องแปลความคิดของเขาให้ออกมาเป็นรูปแบบแปลนบนแผ่นกระดาษเสียก่อนแล้วช่างก่อสร้างจึงจะรับหน้าที่ไปดําเนินการหาวัตถุมาสร้างให้เป็นไปตามความคิดของนายช่างสถาปนิกได้ในที่สุด ดังนั้นความคิดในโลกมนุษย์จึงขาดสื่อกลางบางประการเสียไม่ได้ก่อนที่จะปรากฏชัดขึ้นมาความจริงดังกล่าวมานี้จึงทำให้ชาวโลกมนุษย์เข้าใจผิดถึงพลังของความคิดเขาไม่รู้หรอกว่าความคิดอันรุนแรงที่เขาส่งออกมาจากจิตของเขานั้นจะปรากฏเป็นเงาฉายหรือโปรเจกต์พุ่งออกมากลายเป็นรูปร่างที่เห็นได้ แล้วก็จะรวมตัวหรือฝังรอยลงในบริเวณบรรยากาศที่แวดล้อมตนอยู่อย่างน้อยก็ชั่วขนาดหนึ่งทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดนั่นเองและส่วนประกอบของความคิดด้วยเช่นมีความมุ่งหมายรุนแรงหรืออ่อนแอเป็นต้นถ้าเป็นความคิดชั่วลั่นดังเช่นที่มีอยู่ในปกติแล้วรอยจาวกก็จะปรากฏขึ้นเป็นภาพเงาฉายอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็หายไปแต่ถ้าเป็นความคิดที่รุนแรง มีการอธิษฐานหนุนหลังเช่นการคิดถึงใครคนหนึ่งที่อยู่ในโลกทิพย์ด้วยความตั้งใจยอย่างแรงกล้าเช่นนี้แล้วความคิดนั้นก็จะส่งกระสแสล่นไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งในโลกทิพย์ทันทีความคิดอาจเป็นสิ่งที่ลายเห็นไม่ได้สำหรับผู้อยู่ในโลกมนุษย์แต่สำหรับชาวโลกทิพย์แล้วเราเห็นได้ชัดเจาที่เดียวชาวโลกมนุษย์บางคนถ้าเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝอนอานาจจิตดีพอสมควร ก็สามารถจะเห็นรูปร่างเป็นความคิดเช่นว่านี้ได้เหมือนกันแต่การเห็นดังกล่าวมานี้บางครั้งก็ทําให้เกิดปัญหายุ่งยากซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปได้โดยประการต่างๆหมายเหตุ<ม><ม>ผู้อา่านในเรื่องการอ่านความคิดได้นั้นจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็พบเจอกับผู้คน ทั้งพระและคารวาสที่สามารถอ่านใจได้หลายครั้งนะครับที่โทรศัพท์คุยกันและก็สามารถดักความคิดรู้สิ่งที่เราคิดได้แม้กระทั่งบางครั้งพิมพ์ลงไปในเว็บบอร์ดก็ยังอ่านได้ว่าขณะที่พิมพ์นั้นจิตระลึกถึงอะไรและตอบออกมาตรงมากและยังมีอีกหลายท่านนะครับที่สามารถมองเห็นพลังงานที่แผ่ออกจากจิตเพียงแต่ว่าคนที่จะมีความสามารถในระดับนี้ต้องมีศีลมีธรรม มีการฝึกจิตมานานพอสมควรซึ่งด้วยความที่มีคุณธรรมสูงของท่านเหล่านั้นก็เป็นธรรมดาที่ท่านจะไม่อวดโอ้อหรือแสดงตัวออกมาให้เห็นยกเว้นสำหรับในหมู่นักปฏิบัติ ด, ด้วยกันหรือมีความจำเป็นจริงๆและจะไม่นำความสามารถเหล่านี้ออกมาใช้เพื่อหาลาบยศชื่อเสียงให้กับตนซึ่งบางครั้งบางคนมีความสามารถจริงถ้ายังไม่บรรลุธรรมจริงเมื่อต้องมายุ่งกับคนต้องเจอกับลาบยศชื่อเสียง จนในที่สุดความสามารถที่เคยมีอย่างแท้จริงก็ค่อยๆเลือนหายและไม่สามารถรู้เห็นตามจริงได้เหมือนเดิมซึ่งโดยมากก็มักจะเสียคนและนำคนอื่นเสียไปด้วยการจะเชื่อว่าใครดีจริงและมีภูมิธรรมหรือมีความสามารถพิเศษได้จริงก็ต้องพิจารณากันละเอียดทางที่ดีคือสนใจศึกษาธรรมรู้เห็นด้วยตนเองดีกว่านะครับจะได้ไม่โดนหลอกหรือหลงไปบูชาคนผิดก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ